เมื่อเรยวๆนี้ได้ดูหนังเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเด็กที่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งอายุห้าขวบก็อยู่แต่ในห้องเล็กๆแคบๆ กับแม่สองคนที่เป็นชนนี้เพราะว่าแม่นี่ถูกลักพาตัวตั้งแต่ยังสาวถูกลักพาตัวมาแล้วก็ถูกขังไว้ในไว้ในห้อง เ, เล็กๆผู้ชายก็ใช้ผู้หญิงคนนี้นะ เป็นเครื่องบนำะบัดความใคร่จงกระทั่งผู้หญิงท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาแม่นี่ก็รักลูกมากก็พยายามที่จะทำให้ลูกเนี่ยมีความสุขเท่าที่จะทำได้ ก็เลยบอกลูกว่าเนี่ยทั้งหมดสิ่งที่ลูกเห็นในห้องเนี่ยมันมีเท่านี้แหละโลกมันไม่มีอะไรมากกว่า น, นี้ในห้องนั้นก็มีโทรทัศน์ แม่ก็ลูกบางทีก็ดูโทรทัศน์ด้วยกันเด็กเห็นในโทรทัศน์มันมีอะไรต่ออะไรมากมายแม่ก็บอกลูกว่ามันเป็นมันไม่มีจริงมันเป็นแค่ภาพหรือถ้าพูดภาษาผูยาย้ใหญ่ก็มันเป็นสิ่งปรุงแต่ง ไอ้ความจริงก็บีทั้งหมดเท่าที่เห็นเนี่ยรอบๆตัวในห้องแม่เขาก็พยายามที่จะให้ชีวิตทำให้ชีวิตของเด็กในห้องเนี่ยมันมีความสุขก็เล่นกันในห้องนี้แหละออกกำลังกายก็มีออกกลาลังกายกันในห้องซึ่งขนาดาก็ประมาณนี้สาไมคูณ4ี่เมตร ซึ่งก็เรียกว่าเป็นก็เป็นคุกดีๆนั่นแหละสำหรับแม่นี่มันคือคุกนะแต่สำหรับลูกนี่มันคือโลกทั้งโลกของเขาเด็กก็มีความสุขนะเด็กมีความสุขเพราะว่าได้รับความอบอุ่นความรักจากแม่ แล้วเขาก็สูดว่ามีเพื่อนผูกพันกับสิ่งต่างๆในห้องไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างจะเป็นสิ่งที่ล้างจานโต๊ะเก้าอี้ก็เลยว่านับญาติกับสิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่มีความเหงาตรงข้างกับแม่นี่มีความทุกข์มาก รู้สึกตลอยเวลาว่าตัวเองในคุกแต่เด็กไม่รู้สึกเช่นนั้นเลยเพราะเด็กไม่มีการเปรียบเทียบเด็กไม่มีการเปรียบเทียบว่าในห้องมันแคบข้างนอกมันกว้างพอไม่มีอะไรเปรียบเทียบก็รู้สึกว่าห้องนี้มันใหญ่แล้ว แม่นี่เคยมีอิสระนะจะไปไหนมาไหนก็ได้อาจจะนึกถึงทะเลที่เคยไปเที่ยวหรือว่าโรงหนังที่เคยไปดูสวนสาธารณะที่เคยไปเดินเล่นนะพอนึกภาพนี้เขาก็ก็ยัง ก, ก็ต้องทุกข์ น, นะ ที่พบววตัวเองเนี่ยอยู่แต่ในห้องแคบแคบแต่เด็กไม่มีความรู้สึกไม่มีภาพแบบนี้เลยคือพวกนั้นคือไม่มีการเปรียบเทียบเนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบพอไมมีการเปรียบเทียบมันก็ไม่ทุกข์เพราอรู้สึกว่าไอ้ที่ตัวเองอยู่นี่มันก็ดีแล้ว่ะ อาหารก็มีกินนะมีห้องนอนเรียนกะว่ามีปัจจัยสี่ครบมีแมนะ่ตัวเด็กก็ต้วตัวเองมีมีสละด้วยวิ่งเล่นนะในห้องดูแล้วก็ได้คิดนะคนเรานี่ถ้ามันไม่มีอะไรมาเปรียบเทียมนะ ก็จะรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีมีความสุขกับสิ่งที่เป็นความสุขคนเราความทุกข์คนเรา ส, ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเปรียบเทียบไม่ว่าจะมีมากแค่ไหนแต่ถ้าพบว่าคนอื่นมีมากกว่าตัวเนี่ยก็ทุกข์แล้วเด็กนี่มีของเล่นเยอะแยะ ทั้งของเล่นทั้งเลโก้ทั้งกล้องเครื่องดนตรีกีต้าร์คลุยจักรยานโนต้ตบุ๊กแต่ถ้าเกิดไปพบว่าเพื่อนเนี่ยเขามีไอโฟนมีแท็บเล็ตไอแพดตัวเองทุกเลยนะเพราะว่าไม่มีนะ เกิดความรู้สึกพร่องรู้สึกว่าเรามีน้อยถ้าไม่เปรียบเทียบไม่รับรู้อะไรเลยว่าคนโน้นมีอะไรเนี่ยเราก็รกู้เรามีเยอะแล้วแต่พอไปรู้ว่าคนหนึ่งเขามีแต่เราไม่มีเนี่ยรู้สึกพร่องรู้สึกขาดคนมีเงินร้อยล้านพันล้านนี่จะรู้สึกจนทันทีนะเมื่ออยู่ถูกแวดล้อมด้วยคน ที่เป็นเศรษฐีหมื่นล้านนระู้สึกจ่องเลยนะเพราะว่าเกิดความสุาเราจนนะยังมีน้อยอยู่นะอันนี้เกิดความเปรียบเทียบขึ้นมาแต่ถ้าไม่รับรู้นะหรือว่าไม่มีการเปรียบเทียบก็ผ่อใจนะนเด็กคนนี้แม่ว่าจะแม่ว่าจะอยู่ในคุก ในสายตาของแม่ในในความพังนาของแม่นี่คือคุกแต่เขาพัฒนานี่คือโลกทั้งใบของเขาก็มีความสุขตอนหลังนี่แม่ก็ใช้อุบายจนกระทั่งสามารถออกมาจนทั่งสามารถจะแจ้งตำรวจให้มาช่วย ทั้งสองคนเป็นอิสระเด็กนี่พอรู้ว่ามันมีโลกกว้างอยู่ข้างนอกนี่เด็กก็มึนเนี่ยนะสับสนอแม่บอกว่ามันไม่มีอะไรแล้วไยข้างนอกอะ่ะมันมีแต่ทั้งโลกในมันมีแต่ความจริงมันมีแค่ในห้องที่เขาอยู่ที่เขาเกิดมา แต่ที่จริงคมนมันเมืองเยอะแยหมดเลยมีหมามีต้นไม้มีถนนมีท้องฟ้าแล้วก็ผู้คนมากมายเดยกงงมากเลยก็สับสนะตกลงอะไรจริงไม่จริงไอ้สิ่งที่เชื่อไม่จริงนี่ถ้ามันจริงฮะแม่เคยบอกว่ามันไม่จริงที่เห็นในโทรทัศน์น่ะ แต่พอมาเห็นในโลกว้างว่ามันเหมือนกันที่เห็นในโทรทัศน์เลยเนี่ยแม่ก็ค่อยบอกจริงมันคือความจริงนั่นแหละเตียงเพราะว่าสิ่งที่เตียงที่ว่าไม่จริงไม่จริงมันจริงทั้งนั้นเลยคนเยอะแยะแล้วก็เริ่มสับสนเพราะว่าผู้คนมากมายแล้วตอนหลังก็มาเจอปัญหาเจอมารับรู้ เรื่องความระหองระแหงระหว่างแม่ของตัวกับคนในครอบครัวคนในครอบครัวก็รู้สึกผิดนะที่ปล่อยให้ลูกของตัวเนี่ยถูกลักพาตัวไปพอมาเจอโลกภายนอกที่ผู้คนมันมีความทุกข์มีความซับซ้อนมีความ มีความทุกข์ต่างๆนานาเด็กก็เริ่มเครียดนะจากสับสนก็เป็นทุกข์นะแม่ของเด็กนะซึ่งออกมาแทนที่จะมีความสุขนะอิสรภาพแล้วรอมานานฝันมานานห้าปีพอมาเจออสาภาพเขาก็กลับเครียด ยิ่งกว่าตอนอยู่ในในในคุกซึ่งนะมันก็ให้แง่คิดที่ดีนะว่าไอ้โลกกว้างและอิสรภาพนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะจะหอมหวานไปเสียหมดนะมันก็ในในในสุขมันก็เต็มไปได้วยทุกขนะ์นี่ แล้วก็ในทุกก็เต็มไปได้วยสุขนะในคุกที่ที่เขาอยู่นี่มันก็ชีวิตมันก็เรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนแม้ว่าจะไม่มีสละอันนี้แล้ว่าในทุกก็มีสุขนะส่วนในสุขก็มีทุกเพราะว่าโลกกว่างสลับผ้ามีเยอะแยะแต่มันเต็มไปได้วยปัญหา ความสัมพันธ์ทีวิตคนซับซอ้อนยุ่งยากโลกกว้างมันมันยุ่งยากนี่แง่คิดอันหนึ่งที่ได้คือว่าเด็กเนี่ยเยขารู้สึกว่าอย่างที่พูดนะเขารู้สึกว่าความจริงก็มีแค่ที่เห็นในห้องนั่นแหละ ทั้งที่ความจริงมันมีมากกว่า น, นั้นเยอะแยะไปหมดเขอดคิดไม่ได้นะว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็มีก็คล้ายๆกับเด็กคนนี้คือไปเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองรับรู้มาเนี่ยมันคือความจริงแล้วนอกเหนยอไปจากนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อมันไม่จริง อย่างเช่นคนสมัยนี้เนี่ยซึ่งได้รับอิทธิพลของวิทยาศาสตร์เขาจะมองว่าบาปบุญไม่มีแล้กทั่งจิตใจก็ไม่มีจิตก็เป็นเพียงแค่การทำงานงสมองแล้วความรักความตกรวความเกลียดมันก็เป็นแค่ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสมองอาจจะรงมปถึงว่านรกสวรรค์ก็ไม่มีนิพพานก็ไม่มี ความจริงก็มีแค่โลกที่เห็นมันไม่มีพบภูอะไรที่เลยไปกว่านี้เด็กคนนี้ก็ไม่ต่างจากคนสมัยใหม่ที่เขาคิดว่าความจริงก็มีเท่านี้แหละแต่ที่จริงความจริงมันมีมากกว่านั้นความจริงมันมีมากกว่าที่ที่มองเห็นด้วยตาหรือว่าได้ยินได้หู หรือว่าสามารถจะชั่งตวงวัดได้คนลอาก็จะว่าไปก็มีความรู้จำกัดความรู้จำกัดอาจจะเกิดจากการที่ถูกสอนมาเด็กเนี่ยถูกพ่อแม่ทำสอนมาตั้งแต่เล็กว่าความจริงก็มีเท่านี้แหละ พ่อแม่ก็เจตนาดีเพราะถ้าพ่อแม่เจตนาดีเพราะถ้าพูดว่าความจริงมันมีมากกันนั้นมันมีโลกกว้างเด็กก็จะทุกข์เด็กก็จะเครียดให้การที่ไม่รู้อะไรเลยหรือว่าการรู้อย่างจำกัดนั้นก็ก็มีข้อดีนะรู้มากนี่ก็อาจจะทำให้ทุกข์ได้ แต่ว่าไอการที่เรารู้น้อยเนี่ยแล้วก็คิดว่าความจริงมันมีเท่านั้นนี่มันก็สร้างปัญหาได้เหมือนกันคนทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะกันมากมาย คิดว่าสิ่งที่เกรงรับรู้เนี่ยมันคือความจริงทั้งหมดที่เรียกว่าเหมือนกับกบในสาสน้อยก็ได้นะกบในศาสน้อยมก็คิดว่าสาสนี้ใหญ่แล้วอย่างที่พวันพวันเนี่ยรู้น้อยว่ามากรู้เรื่องใจกลนเกิดกลกบเกิดอยู่ในศาสจ้อยไปเห็นเฉลไกรกลางสมุทร ชมว่าน้ําบ่อ น, น้อยมากน้ําเกลืออันนี้เป็นโครงโรกแบบนี้ยังชอบมาตั้งแต่เด็กเหมายความว่ากบเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่เกิดจนโตมันอยู่ในสารมันก็คิด่าสารเนี่ยใหญ่สุดแล้วเพรามไม่เคยเห็นม า, าสมุทรงั้ถ้ากดตัวนี้ไปเจอกบอีกตัวหนึ่งซึ่งเคยเจอมาหาสมุทรเนี่ยก็คงจะทะเลาะ ก, กันไอ้กบตัวแรกวัวเนี่ย สามใหญ่ใหญ่สุดแล้วอีกตัวหนึ่งเขบอกว่ามันมีใหญ่กว่านั้นนเป็นทะเลเลยไปเห็นมาแล้วไอ้กลตัวแรกคงไม่เชื่อว่าทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กับกบทัวที่สองเนี่ต่อจาตัวที่สองนี่มันเชื่อว่ามันเห็นว่า๊ยมันเห็นด้วยตาแนละ้วว่ามหาสมุทรมันกว้างจริงก็คงจะไม่ยอม ก็จะเถียงกับกบตัวแรกวันฉันเห็นมันแล้วไอ้กบตัวแรกมันไม่เคยเห็นมาสุดมันก็ไม่ยอมเชื่อมันก็เถียงเถียงไปเถียงมาเถียงยังไงก็ไม่มีใครยอมไอ้กบตัวแรกก็ไม่ยอมเพราะทั้งที่มันนีงก็งโง่แล้วคนร้านี่ก็ บ, บ่อยครั้งก็เป็นอย่างงี้นะคือ เราเห็นเราพบความจริงเราเห็นความจริงกับคนลรแง่และเราเที่ยนั่นคือความจริงทั้งหมดแล้วก็ทะเลาะกันอย่างที่เห็นทะเลาะกันทุกวันนี้ในบ้านเมืองการโซเชียลมีเดียแรงต่างแต่แม้จะเห็นความจริงกว้างขวางเนี่ยบางทีการทะเลาะหรือการชี้แจงก็ไม่ได้ผลนะ กบตัวที่มันเห็นทะเลกว้างไอ้ที่เห็นเน่ยเห็นจริงเลยนะว่ามันทะเลมันกว้างกว่าใหญ่กว่าสระน้อยแต่พูดยังไงไอ้กบตัวแรกมันก็ไม่เชื่อเพราะมันไม่เคยเห็นแล้วมันก็นึกไม่ออกว่ามันมีทะเลหรือมันมีอะไรที่มันใหญ่กว่าสระที่มันเคยอยู่อธิบายยังไงมันก็ไม่เชื่อบางทีก็ป่วยการ เ ค, เคยเคยไล่ฟังนักเขียนคนหนึ่งนักเขียนชาวอินเดียนี่แกเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องไม่เชื่อเรื่องศาสนาเลยก็ไปเจอทรายมะก็ไปสัมภาษณ์ยามสัมภาษณ์แล้วก็โต้แยง้งเรื่องการกับชาติมาเกิดก็ทราามะนี่ก็ เป็นสถาบันที่เก่อจากการที่มีความเชื่อว่าตายแล้วนะสามารถเกิดใหม่ได้อย่างเทเะละมากนี้ก้องที่สิบสีผ่านกับเป็นทเะละ ม, มามาสิบสามสิบสามครั้งสิบสามชาตินะนักเียงคนนี้เนี่ยชื่อคุสวรรษิงเนี่ยก็พยายมชี้แจงว่าเนี่ยไม่มีหลักฐานไม่ว่า มีคนกับชาติมาเกิดเอาหลักฐานมาชี้มาชี้แจ ง, งท่านอธิบายมัเนเลยมีคนระลึกชาติได้มากมายคุณชวนซิง์ก็บอกว่าไอ้หลักฐานที่ว่าเนี่ยมันรู้แล้วแต่เป็นคําพูดของเด็กนแต่ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนที่บอกว่าระลึกชาติได้มีแต่เด็กทั้งนั้น ทรายมักก็ไม่อธิบายผู้ชว่วงสิงก็แยง้งสุดท้ายทรามักก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่มีการกลับชาติมาเกิดเนี่ยอัตมาก็คงตกงานแล้วล่ะทัานก็หัวเราะไนะ คืชวนสิงห์ก็หัวเราะด้วยคือท่านละมัท่านก็รู้นะท่านก็อาจจะเปลี่ยนเหมือนกับกบที่เห็นทะเลกว้างแต่ท่านก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดว่าการที่จะพูดการที่อธิบายให้กับกด ก, ดกดตัวแรกฟังนี่มันจะได้ผลก็พยายามพูดแล้วเขาก็ไม่เชื่อท่านก็ไม่พยายามที่จะ ที่จะยัดเยียดเขาสุดท้ายนั้นก็เพื่อป่วยการก็เลยพูดให้เป็นตลกครับเป็นการยุติเป็นการยุติก า, ตการโตเถียงกันนะด้วยดนะีก็พูดแบบถ่อมตัวเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่คุณว่านี่นะไม่มีตับชาติมาเกิด น, นี่นะักมาก็ตกงานไม่มีงานทนะําำ ก็เป็นอารมณ์ขันของท า, ามะนะแต่ก็ในแง่หนึ่งก็เช่นนี้เชื่อว่าท่านรู้ว่าการที่จะอธิบายด้วยเหตุด้วยผลมันคงไม่มีประโยชน์นะแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็พยายามนี่นั่นแหละพอเขาไม่เชื่อโกรธนะอยาติบายเท่าไหร่เขาไม่เชื่อโกรธนะซึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยไม่เป็นผลดีทั้งกับทั้งสองฝ่าย บางทีการเถียงกันมันก็มีข้อจำกัด ย, ยป่วยถึงจุดหนึ่งก็ป่วยการที่จะที่จะโต้เถียงหรือชี้แจงก็ให้ถือว่าเป็นความแตกต่างแล้วก็ยอมรับความแตกต่างให้ได้้คุณไม่เชื่อเรื่องนี้ก็แล้วไปก็อยู่กันไดนย้ยังเป็นเพื่อนกันได้เรียกว่า ยอมรับว่ามีความแตกต่างภาษาฝรังเรียกว่า agree to disagree นะคือเห็นด้วยว่าเราเห็นไม่ตรงกันก็จบได้ในหน้นางเลิมนิมก็ชี้มันก็ให้ง่ายคิดนในรา้การที่คนเรารู้ความจริงมากๆนี่ บางทีมก็ทำให้ทุกข์นะแต่ น, นี่มันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ความจริงแค่ไหนด้วยทางพุทธศาสานาก็มองว่าเนี่ยการรู้ความจริงทำให้หมดทุกข์ทำให้คนทุกข์เพราะ น, นั้นพุทธศาสนาจึงในเรื่องปัญญาการเห็นความจริงแต่ไม่ใช่เห็นความจริงแบบสเปสสปะนะ หรือว่าเห็นความจริงรู้ความจริงแบบแบบเรียกว่ามัวไปหมดนะเห็นความจริงเฉพาะเรื่องสำคัญสำคัญก็คือเห็นว่าสิ่งทั้งหลางกวงมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนการเป็นความจริงนี่แหละจะทำให้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ ก็ถึงความจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นเป็นเป็นคําสอนที่สําคัญเลยตับเทธรรมานานังอภินณเวสายยะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้เกิดจากการเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งปวงนั้นมันเป็นไอนน้จังทุกขังอนัตตาคือไม่ได้เห็นความจริงไปถึงทะลุ ไปรวบกำิดจั ก, กรวาลจั ก, กรวาลมันมีกมําเนิดจากไหนแล้วมันจะไปจบตรงไหนจั ก, กรวาลนี้เป็นหนึ่งหรือว่ามีหลากหลายเป็นเอกภพกหรือพ่อผู้ภพอันนั้นเป็นความจริงที่มันทำบูชาสารทว่าไม่จําเป็นนะะเรียกว่าเฟอร์ก็ได้เพราะมันไม่ช่วยทําให้ดับทุกข์อย่างพุทธเจ้าก็ต่บ้านนี้คำสอนพระองค์เนี่ย เกียมเหมือนกับดอกใบไม้ในกำ ม, มือนะใบไม้ในป่านี่มีเยอะมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ผู้เจ้าสอนเนี่ยก็เป็นแค่ดอกใบไม้ในกา ม, มือใบไม้ในกา ม, มือนี่มันนิดเดียวเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่าคือเราไม่ต้องรู้ความจริงตายแบบ ทุกเม็ดเลยนะการเห็นความจริงที่มันเป็นตัวสาระสำคัญเนี่ยอันนี้มี น, นี่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากกว่าเพระฉนั้นเราเห็นความจริงแล้วเราเห็นความเห็นความจริงจนกระทั่งคลูกปล่กกรงมันก็ไม่ทำให้ทุกข์ได้นะถ้าความจริงที่เห็นมันเป็นแก่นแท้แ้วคน แต่ถ้าไปเห็นความจริงไปรับรู้ความจริงแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เนี่ยบางทีมนทำให้ทุกข์นะมันทำใจไม่ได้อย่างแม่ของเด็กนี่ก็เลยหรือตัวเด็กเองทีแรกนี่ก็สับสนมากเพราะความจริงมันมันไม่ตรงกับที่คาดแล้วมันก็ท่วมท้นเป็นหมดจนวุ่นวาย คนสมัยนี้ก็สับสนเพราะการที่รู้มากแล้วก็รู้แบบไม่มีหลักเปิดโทรทัศน์ฟังข่าวเปิดโทรศัพท์มือถือมีข้อความต่างๆมากมายทางเฟซบุ๊กทางลายก็ทำให้เครียดได้เพราะมันมีแต่ข่าวที่เป็นลบนะไม่ถูกใจ ในนเป็นัญหาคนสมัยนี้เพราะหนึ่งวางใจไม่ถูกสองไอ้ความจริงที่ที่ตัวเองร่วมันเป็นแค่กับพียมันไม่ได้เป็นความจริงที่มันเป็นแก่นสารเพราะจะเป็นความจริงที่เป็นแก่นสารก็ทําให้ให้คนทุกได้หรือวความสรงเกี่ยวความจริงเกี่ยวกัายและใจเนี่ยสำคัญไปรู้อะไรต่ออะไรมากมายแตไม่รู้จักตัวเองไม่รู้เรื่องกายและใจ ไม่รู้ว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่ตอนนี้รู้สึกรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าตอนนี้อารมณ์ไหนเดีย๋ยวนี้คนนี้ไม่รู้นะว่าตอ น, น, ต, อนตอนนี้ตัวเองกำลังรู้สึกอะไรกำลังมีอารมณ์อะไรอยู่บอกความคิดได้แต่บอกความรู้สึกไม่ได้และที่ยังบอกไม่ได้ก็คือไม่รู้ว่าอะไรทำให้ตัวเองทุกข์ างีสิ่งที่ทำให้ทุกข์ก็อยู่ในใจนั่นแหละอะไรทำให้เป็นทุกข์มากที่สุดในขณะนี้แต่ถ้ารู้นี่มันก็ช่วยทำให้ค่อยๆแสงปมค่อยออกจากทุกข์ได้นี่เป็นความจริงที่ที่น่าจะรู้แล้วถ้าจับหลักได้เนี่ยการที่จะไปรับรู้โลกภายนอกตางมากมายเนี่ยมันก็ ไม่ทำให้ทุกขได้แล้วเกิดว่าเรารู้ความจริงเกี่ยวกับการและจใจ เ, เป็นพื้นฐานเพราะความทุกข์มักเกิดขึ้นที่การกับขึ้นทีกายกัดใจนี่แหละเพราว่าที่ใจ okay. ถ้าไม่รู้จักตัวเองไม่รู้เท่าทันตัวเองไม่รู้จิตใจตัวเองในการรู้ทั้งหลายทั้งปวงนี่ยก็มีแต่เสียงต่อการทําให้เกิดทุกข์ เพราะการทำความเข้าใจกันทำความรู้จักเกี่ยวกับตัวเองกลับมามองกายและใจกลับมารู้ตามดูรู้กายและใจสำคัญอันนี้เป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องรองจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่ว่าต้องรู้เรื่องกายเรื่องใจถึงจะทำให้ไม่ทุกข์ได้ อ่าช่เลผู้กท่านนี้นะครับครับ